พระพทธเจ้าเนี่ยท่านสรุปเอาไว้ให้บอกว่าอะไรเป็นเหตุต้นเหตุของความทุกข์ท่านก็บอกว่าสมุทัยคือเหตุของความทุกข์เนี่ยสรุปแล้วมันก็คือตัณหาตัณหาสามใช่ไหมการตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา ปัญหามันก็แปลแบบนักเรียนบาลีเขาก็แปลว่าอะไรความทะยานอยากกระใจมันก็ทยานออกไปทยานไปในสิ่งที่มันอยากนั่นแหละสำหรับผู้ถุกชนคนธรรมดาสําหรับคนที่ไม่ได้หวังอ่ะไม่ได้หวังที่จะมาพ้นทุก เขเป็นคนที่จะหวังความสุขอยู่ในชีวิตปกติทั่วๆไปหวังความสุขในทางกรรมทั่วๆไปเวลาเขาหวังอะไรในใจมันก็ทยานวิ่งออกไปใช่ไหมวิ่งออกไปหาสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละอันนี้ก็แบบปุ้ดชนทั่วๆไปก็ทยานอยากไปในทางกาม แต่ก็ไม่ใช่เฉพาะทางการอย่างเดียวเพราะว่คือความมีความเป็นคนเรามันก็อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่นั่นแหละอย่างบางคนอยากจะเป็นเศรษฐีอย่างบางคนเกิดมาเป็นผู้ชายก็อยากไปเป็นผู้หญิงผู้หญิงบางคนก็อยากเป็นผู้ชายอยากจะมีความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งถ้ามันได้มันก็พอทุทูเตถัถถถๆความทุกข์ก็ยังไม่เกิดมากเท่าที่ควรแต่ถ้ามันไม่ได้ตามที่อยากเป็นมันก็ทุกข์แหละบัานเออย่างนักเรียนที่จบการศึกษาอาจจะเป็นมัธยมปลาย แล้วก็จะไปสอบเข้าเพื่อทีอ่จะเป็นนักเรียนสำหรับชั้นอุดมศึกษ า, างเงก็อยากเป็นอยากมีอยากเป็นเหมือ น, นสำหรับผู้ชายที่ไม่ชอบผู้หญิงก็อยากเป็นและเป็นแฟนเป็นคู่เพราะฉะนั้นมันก็อยากเป็นไงแต่อยากเป็นแล้วมันเป็นไม่ได้มันก็ถูก เราอยากจะเป็นคู่เขาเขาไม่เอาด้วยมันก็เป็นถูกอันนี้ก็ภาวะตัญหาความอยากเป็นความอยากมีวิหนึ่งมันก็วิเศษแจ้งแต่ น, นี้เราใช้ในอีกรณีหนึ่งก็คือต่างออกไปกลับกันทางตรงกันข้ามนั่นแหละ ฉะนั้นภาวะคืออยากมีอยากเป็นวิภาวะก็คือไม่อยากมีไม่อยากเป็นสำหรับคนที่เขามาชอบเราเราไม่ชอบเขาเราก็ไม่อยากไปเป็นคู่เขาใช่ไหมแต่ถ้ามันโดนมัดมือชกกลุ่มตุงชนเหมือนสมัยก่อนไงมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันทุกข์เพราะว่าต้องเป็นแต่เราไม่อยากเป็น ซึ่งมันก็เห็นแัแหละว่าอยากมันกลุมหัวใจสิ่งถ้าอยากได้อยากเป็นหรือไม่อยากเป็นอันไหนแล้วมันได้สิ่งนั้นมาเนี่ยมันก็ทุกข์ใจพะฉะนั้นท่านจึงสรุปรวบเอาไว้ให้ว่าคนเราเนี่ยถ้าดับปัญหาลงเสียได้ ความทยานอยากได้โดนตัดขาดออกไปจากใจได้มันก็ถึงความดับความดับของทุกข์แต่เส้นทางที่เราจะดำเนินนี่ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยมันก็มีอยู่แค่เส้นเดียวนั่นแหละที่มันจะไปได้สุดทางทุกข์มันจะดับได้อย่างสมบูชัยท่าคือ เบ็เศร็จเด็ดขาจริงๆซึ่งทางอื่นมันก็พอที่จะดับทุกได้นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าทุกที่ดับได้มันก็กลับกาเริบขึ้นมาได้มันจะไม่เหมือนทางสายเอกทางสายเดียวอันนี้ทางที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ว่าคือเส้นทางที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แ เริ่มด้วยความเห็นที่มันถูกต้องเสียก่อนเมื่อกี้เราพูดถึงเหตุสรุปรวบยอดเหตุของความทุกข์พระพุทธาก็ตรัดเอาไว้ว่าคือตัณหาความทยานอยากอยู่ในใจของเราเนี่ยแหละที่มันเป็นตัวที่จะคอยทำให้ใจเราวุ่นวาย กระบวนการแก้มันก็เริ่มที่สัมมาทิฏฐิใช่ั้ยความเห็นที่มันถูกต้องแล้วเราเห็นถึงตัณหาในใจของเราดีมากน้อยเท่าไหร่แล้วเราแยกออกระหว่างความชอบใจกับความถูกต้องได้ดีแค่ไหน ซึ่งถ้ากิเลสมันพาใจของเรากลมหัวใจของเราอยู่บางครั้งมันทำให้ทิฏฐิคือความเห็นของเราเนี่ยมันไม่ถูกตรงไม่ถูกต้องเท่าที่ควรความถูกต้องก็คืออริยมรรคมีองแปดที่ทำแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่คือนิโรธะคือความดับของทุกข์ แต่ถ้ากีเรตมันยังหลอกเราอยู่มันก็จะเปลี่ยนจากความถูกต้องไปเป็นความถูกใจชักนําใจให้เราเห็นผิดว่าสิ่งที่เราชอบใจสิ่งที่เราไม่พอใจเราไม่อยากทาสิ่งที่ชอบใจเราอยากทำว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือความถูกต้องของเรา ถูกต้องตามความเป็นจริงของเราเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่ทําแล้วชอบทําแล้วรู้สึกสบายสบายใจก็อย่าเพิ่งนอนใจนะก็ต้องเอาไปเทียบเอาไปเปรียบเทียบกับอริยมรรคเมลงแปะสิก่อนว่ามันเข้าขายถูกต้องหรือเปล่า ดีหรือเปล่าดีจริงหรือเปล่ามันก็จะทำให้เราเป็นผู้กว้างขวางในอุบายที่เราจะเป็นผู้นำออกจากทุกขนำตนให้ออกจากทุก์ได้หลักการหลักเกณฑ์มันก็มีอยู่ท่านก็ตรัสเอาไว้เป็นกรอบแต่ก็ไม่สามารถที่จะแสดง รายละเอียดปลีกย่อยให้มันได้เข้ากับทุกๆจริตทุกๆนิสัยทุกๆบุคคลล่ละแต่แน่นอนว่าคนที่โชคดีหน่อยก็อยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนชีพยอยู่แล้วก็ได้สนทนาหรือฟังธรรมจากพระโอษฐ์อันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่โชคดีกว่าโชคดีมากขึ้นเลยนะ เพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นธรรมะที่ตรงจริตตรงนิสัยกับผู้ฟังมากขึ้นแต่ถ้ากิเลสพาคิดเนี่ยมันก็ทำให้เราเสียกำลังใจใช่หว่าโอ้พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่อยู่แล้วแล้วเราจะฟังธรรมยังไงให้มันตรงกับสิ่งที่เรามีที่เราเป็นให้มันถูกกับปัญหาที่เรามีที่เรา กำลังเผชิญอยู่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องเริ่มที่สัมมาทิฏฐินี่ลยมีความเห็นนี้มันถูกต้องใก่อนแม้แต่ความคิดอันนี้มันก็เป็นมิจฉาสังกปะใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นความคิดที่เบียดเบียนตนเองเป็นความคิดที่ทำให้ใจของเราเนี่ยมีกำลังใจลดลง บัณฑทอนกาลังใจที่เราจะปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมให้มันถูกต้องถูกตรงซึ่งถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิที่มันดีมีกาลังเราก็จะเห็นว่าความคิดเหล่านี้มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่ตามแนวทางมักแปะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปต่อความยาวสาวความยืดกับความคิดประเภทนี้ ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่อยู่แล้วก็ตามแต่พระธรรมท่านก็แสดงเอาไว้ดีแล้วนะคือสวัคขาตธรรมธรรมที่ตรัสเอาไว้ดีแล้วชอบแล้วซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสกลับมาเอาไว้ว่าตราบใดที่พุทธบริษัทยังไม่แข็งแรงาศาสนายังไม่ตั้งมั่นยั่งยืนได้พระองค์ก็จะไม่เสด็จตับขันปรินิพพาน แต่ในเมื่อพระองค์เสด็จดับขันบริณีผ่านแล้วเนี่ยแสดงว่าคําสอนที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ก็เพียงพอที่จะทําให้พุทธบริษัทเนี่ยก้าวเดินไปได้ตามทางที่พระองค์แสดงเอาไว้แม้พระองค์จะไม่ได้ดารงพระชนชีพอยู่เพื่อที่จะสั่งสอนต่อไปแต่คําสอนที่พระองค์ทรงแสดงแจกแจงเอาไว้ดีแล้วเนี่ยเพียงพอแล้ว สำหรับบุคคลที่ต้องการจะพ้นทุกข์แล้วก็เป็นผู้ฉลาดที่จะนำคำสอนไปใช้นำไปใช้อะไรนำไปใช้เพื่อที่จะหัดขัดเกลาจิตใจของตนเพื่อที่จะรู้เท่าทันกิเลสในใจของตนอันนี้เพียงพอแล้ว แต่ที่มันทำให้คำสอนที่พระองค์ตรัสเอาไว้แจกแจงเอาไว้ดีแล้วเนี่ยมันได้ไม่ไม่ดีก็คือความที่เราไม่รู้เท่าทันมันเหมือนกับหลักการนะมันดีนะแต่พอไปเจองานหน้างานจริงๆอุปสรรคหน้างานจริงๆเนี่ยอันนี้มันไม่มีในตำราไงแต่ไม่มีในตำราแล้วเราแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่นะ เราก็ต้องนำหลักการวิธีการเทียบเคียงกับเคสต่างๆเราก็นำมาประยุกต์ใช้เพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดในการนำคำสอนมาประยุกต์ใช้กับตนเองฉะนั้นก็จะไปได้ก็ต้องไม่นิ่งนอนใจก็ต้องรู้จักประยุกต์ รู้จักที่จะพลิกแปลงหาอุบายท่านหนึง่งใช้คำว่าเป็นผู้ฉลาดในอุบายอุบายเป็นเครื่องนำออกจากทุกต้องฉลาดนะครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นผู้ที่จะชี้บอกให้เราได้ก็จริงแต่ก็คงไม่ได้อยู่กับเราตลอดอใช่ไหมใครจะอยู่กับเราได้ตลอดเวลาเท่ากับตัวเราเอง เพราะฉะนั้นเราพึ่งพึ่งท่านก็จริงถึงท่านว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งก็จริงถือนิสัยในการรับคำอบรมสั่งสอนจากท่านก็จริงแต่มันจะไม่ใช่ให้เป็นภาระของท่านนะภาระทั้งหมดมันก็คือของเราอยู่เหมือนเดิมพอตางนี้ต้งนั้นสุดท้ายคนที่จะพ้นทุกข์ก็คือเราคนที่จะ นำคำสอนนำอุบายที่ท่านคอยชี้แนะมาใช้ก็คือเราแล้วคนที่จะประยุกต์อุบายต่างๆให้มันเท่าทันกับกิเลสในใจของตนเองก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ท่านพอแนะนำได้แต่มันไม่ร้อเปอร์เซและมันก็ไม่ได้ทันท่วงทีทุกๆขณะเหมือนกับที่เราจะพยายามพึ่งธรรมแล้วก็พึ่งตนเองด้วย เรามีพุทธังสารนังกัจฉามิว่าเราเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งทำมังสารนังกัจฉามิถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่พึ่งสังคังสรนังกัจฉามิถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งแต่ไม่ใช่ว่าจะอะไรอะไรก็ยกเป็นภาระ ให้กับท่านคอยแก้ไขปัญหาให้ไม่ใช่ประพุทธก็ดีพระสงค์ก็ดีอันนั้นก็เป็นแค่เหมือนพี่เลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงที่จะคอยประครับประครองเหล่าบุคคลผู้มีความปรารถนาจะพ้นจากทุกพ้นออกจากวั ต, ตะอันนี้ แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเอาไว้เองว่าเราตถาคตเป็นได้แค่เพียงผู้บอกผู้บอกขั้นทางเฉยๆแต่บอกแล้วเนี่ยใครจะไปใครจะไม่ไปมันก็สุดแล้วแต่ผู้ที่จะเดินทางใช่ไหมถ้าไปไปตามคำที่บอกมันก็ไปถึงแต่ถ้าไปตามคำบอก แต่เราไม่แน่ใจในคำบอกย้อนกลับไปไปไปมามามันก็ไม่ถึงสักทีหนึ่งพูดไปพูดมามันก็จะหลายๆประเด็นนะแต่จริงๆแล้วก็อยากจะให้รู้ว่าเราต้องเป็นผู้ฉลาดที่จะค้นหาอุบายที่จะมาแก้กิเลสในใจของเราให้มันได้รู้ว่าความคิดเราคิดเนี่ย คิดเพื่อถอดถอนกิเลสหรือว่าคิดเพื่อส่งเสริมกิเลสและที่สำคัญก็คือสติสำคัญมากถ้าเรามีสติที่มันดีมีกำลังแล้วก็คอยหมั่นสังเกตพฤติกรรมจิตใจของเราหมั่นสังเกตจนเห็นรู้เท่ารู้ทันจิตใจของเรา เราก็จะรู้ถึงกระแสะใจของเราเนี่ยแหละว่าใจของเราจริงๆณตอนนี้เนี่ยมันอยู่กับเรื่องอะไรแน่นอนแหละว่าเรากําหนดเข้าสมาธิดูลมหายใจนึกถึงคำบริกรรมพุทโธเป็นต้นเหล่านี้ใจเราก็ต้องอยู่กับลมหายใจอยู่กับบทบริกรรมแน่นอน แต่มันอยู่หนึ่งร้ยเอร์เซน์ไหมอันนี้ถ้าคนที่ไม่ละเอียดลออคนที่ไม่ไม่ละเอียดในวารจิตของตนก็จะเหมาไว้ว่าเราเนี่ยอยู่กับหน้าที่การงานในการดูลมหายใจในการนึกคำบริกรรมอยู่ได้อย่างเต็มร้อยและสุดท้ายก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ทาเต็มที่ แล้วก็ไม่วอกแวกอยู่กับการงานอย่างดีทำไมมันไม่มีผลให้มันน่าประทับใจขึ้นบ้างพอเป็นอย่างนี้บ่อยๆก็เอตโลพานไปคําสอนไม่ดีบ้างหรือเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังหรือไม่ก็เผลอไปคิด คิดไปบัณฑทอนกำลังใจตัวเองไป เ, เลิกล้มไปจากความเพียรที่เคยมีก็ลดน้อยถอยลงหรือไม่ก็เลิกละความเพียพรพอความเพียรย่อหย่อนแต่ความอยากในใจมันไม่ย่อหย่อนไปด้วยนะความอยากในใจอยากที่จะพ้นทุกข์มันก็มีอยู่เหมือนเดิมแต่อยากแล้วมันพ้นทุกข์ได้มันก็ดีไป อยากแล้วมันพ้นทุกข์ไม่ได้แต่พ้นทุกข์ได้เพราะเราละความอยากนี่เองอย่างเราเข้าสมาธิใจเราเนี่ยมันอยู่กับผลของการเข้าสมาธิหรืออยู่กับเหตุของการเข้าสมาธิเราสังเกตใจของเราดีไหมเคยเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ แบ่งใจเอาไว้ที่ผลที่มันจะเกิดขึ้นกับการที่เรามาดูลมหายใจที่เรามานึกพุโทโธอยู่ในใจนางไปก็ส่งใจด้วยความหวังออกไปว่ามันจะสงบมันจะดีเดี๋ยวมันจะต้องดีแบบนั้นดีแบบนี้ ซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีอ่ะเราก็จะได้ปิดรอยรั่วของใจปิดช่องที่มันจะหนีออกไปแน่นอนแหละ ว, ว่ามันอาจจะไม่ได้ออกไปทั้งร้อยๆแต่มันก็เป็นรอยที่มันทําให้ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนตุ่มที่มันมีรูเล็กๆน้อยๆแล้วมันทําให้น้ำมันค่อยๆซึมออกไป น้ำมันคงไม่ได้ไหลไหลทะ ล, ลักพวดพลาดแล้วน้ำหมดตุ่มซะดีเดียวยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆน้ำก็ไปเต็มสักทีนึ่ตักน้ำเติมไปปิดฝาปุ๊บเห็นว่าน้ำเต็มแล้วแล้วก็หวังว่ามาเปิดคราวหน้าเนี่ยน้ำก็จะอยู่ในระดับเดิมแต่ที่ไหนได้ไ ม, ามาเปิดอีกทีหนึ่งอ้าวลดลงไปครึ่งหนึ่งแหละหรือไม่ก็หมดหมดตุ่มและ ก็เพราะว่ามันมีรูรั่วมีรอยรั่วแต่ถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราได้อุดรูอุดรอยพวกนั้นได้นะ้ำมันก็ใสไปเท่าไหร่มันก็อยู่เท่าเดิมนั่นแหละอันนี้ยกตัวอย่างกันเข้าสมาธิใช่มแต่ถ้ากรอบใหญ่ กรอบใหญ่ภาพใหญ่ก็คืออะไรก็คือว่าเราปฏิบัติธรรมเราก็อยากพ้นทุกข์นั่นแหละแต่เราอยากพ้นทุกข์มันไม่ได้พ้นทุกข์นะแล้วใจเราไปอยู่กับความอยากพ้นทุกข์มากๆเนี่ยเคยสังเกตไหมว่ามันยิ่งทุกข์เข้าไปอีกทุกซ้ําทุกซ้อนนะแต่คนส่วนมากก็เมามันในความทุกข์ซ้ำซ้อนแบบนี้เห็นว่าอยาก อยากดีฉันมีความอยากจะดีฉันก็ส่งใจอยากจะดีเต็มที่ก็ฉันอยากดีเนี่ยทำไมมันจะไม่ดีล่ะก็เพราะไม่เท่าทันไงกิเลสมันก็พาสอยไปแบบนั้นแหละแต่ถ้าเราคอยสังเกตใจเรื่อยๆน่มันก็ต้องมีการตั้งคำถามขึ้นเลแล้วเอ้ยเวลาเราอยากดีแบบนี้เนี่ยทำไม ความสงบความสบายความสุขในใจมันมั น, ม, นมันลดลงอะแล้วพอเราไปเทียบกับหลักกับหลักที่พระพุทธเจ้าประทานเอาไว้ให้ว่าเอามันมีความทะยานอยากมีตัณหาตรงไหนมันก็ทุกตรงนั้นอยู่แล้วมันก็มีคำถามว่าเอา้เาแล้วยังไม่อยากดีแล้วมันจะไปดีได้ยังไง อันนี้เ้าเรียกว่าอยากเกินความพอดีไงตรงไหนไม่พอดีมันก็ทุก์นั่นแหละซึ่งถ้าเราอยากพอดีพอดีเนี่ยพระพุทธเจ้าพปรงใช้ศัพท์อีกตัวหนึ่งท่านใช้คำว่าฉันทะคือความยินดีพอใจความอยากเนี่ยมันทำให้ใจเราเนี่ยไปอยู่กับผล ผลของความคาดหวังแต่ถ้าเรามีฉันทะใจเราอยู่กับเหตุมีความถ้าจะเปรียบเทียบกับการงานที่เราทำเนี่ยมันก็มีความเพลินมีความจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับการงานใจเราก็อยู่กับเหตุของการงานแต่พอเราทาทาไปสักพักหนึ่งเราก็เริ่มที่จะ เมื่อไหรมันจะได้สักทีเมื่อไร่มันจะถึงสักทีเมื่อไหรมันจะเสร็จสักทีอันนี้ใจมันไปอยู่ที่ผลแล้วใช่ั้ยอยากที่จะให้มันเสร็จเสร็จสักทีหนึ่งไม่อยากทำต่อแล้วนี่ใจมันย้ายจากเหตุไปอยู่ที่ความคาดหวังของผลลัพธ์อยู่ที่ผลลัพธ์ในอนาคตไปแล้วแต่ใจ ที่มันอยากเกินความพอดีเนี่ยมันไหลออกไปอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราเท่าทันเราก็จะต้องดึงใจกลับมาไว้ที่เหตุมีความฉันทะคือความยินดียินดีในการที่เราได้ทำเหตุนะแต่คนที่แบบเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเมื่อไหร่มันจะจบสักทีเมื่อไหร่เราจะได้สักที อันนี้มันไม่ได้ยินดีพอใจในเหตุที่ตนกําลังได้กระทาเลยคอยจะหวังว่าเมื่อไหร่ผลมันจะได้สักทีนึ่ใจมันก็ไปอยู่กับผลลัพธ์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหตุที่มันไม่ตรงทางไม่ถูกทางความยินดีพอใจในการที่เราได้ทําเหตุของความดีมันควรจะหยุดอยู่ตรงนี้แต่ถ้ามันมากเกินความพอดี มันก็ทยานอยากออกไปทยานไปไหนทยานไปอยู่ที่ผลลัพธ์นั่นแหละถ้าถามว่าทุกข์ไหมมันทุกข์อยู่แล้วทุกข์แน่นอนความสุขมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเรายินดีที่เราได้ทำเหตุทำเหตุที่ถูกต้องอย่างดีเราก็มีความสุขไปได้มีความสุขที่เราได้ทำเหตุดีๆ ซึ่งถ้ามันกลมกล่อมพอดบพอดีมันก็ได้สวยผล ด, ดีไปด้วยใจที่อยู่กับเหตุยินดีในการทำเหตุอันนี้มันมันจริงอีกขึ้นชื่อว่าเราเดินได้ถูกถูกต้องถูกทางหลับตาเข้าสมาธิใจไปอยู่ที่ผลคือการเป็นสมาธิ อันนี้ไม่ใช่ไม่ถูกแล้วเพราะนั้นกันที่เราเข้าสมาธิใจมันอยู่ที่ไหนใจมันก็ควรจะมีความยินดีที่เราได้ให้ใจเรามีเครื่องอยู่ที่ดีที่พุทโธมีเครื่องอยู่ที่ดีที่ลมหายใจทุกๆขณะ จ, จิตของเรามันเป็นขณะ จ, จิตที่เราได้ห่างไกลจากโลภโทสะโมหะราคะ อันนี้มันดีอยู่แล้วไงแต่พอเราไม่มีความยินดีมันก็เลยทะยานไปหาผลผลที่เราคาดเอาไว้ผลที่เราคิดเอาไว้แล้วมันก็ไม่ได้สักทีหนึง่งอันนี้ก็เป็นแค่แง่หนึ่งเงื่อนหนึ่งในในทางดำเนินในแง่มุมเล็กๆน้อยๆที่เราก็ต้องเป็นผู้ละเอียด เป็นผู้ละเอียดในวารจิตของตนเป็นผู้ที่ฉลาดในอุบายที่จะเห็นว่าอันนี้คือเหตุของความทุกข์ใจแล้วเราจะดับหรือเราจะละเหตุของความทุกข์ใจอันนี้ยังไงแต่แน่นอนแหละบางคนไม่เห็นไงเห็นแล้วก็เห็นแบบผิดๆคืออย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าอา้าก็อยากดีไงอยากดีมันก็ต้อง มันเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรออันนี้ก็คือเห็นผิดเห็นผิดมันก็ต้องทุกข์แน่นอนเพราะไม่ละเอียดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็ต้องเหยียบย่ำบนกองทุกข์ไปนั่นแหละบนกองทุกข์เหยียบไปเรื่อยเหยียบย่ำไปเรื่อยแต่ไม่ให้มันเหยียบวนนี่ น, นั้นแหละ แล้วก็ยียไปบนเส้นทางนี่มันจะก้าวเดินไปถึงที่สุดแห่งทุกข์มันไม่มีแบบว่าเหยียบย่ําบนกองสุขแล้วไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นไปไม่ได้มันก็เหยียบย่ํากองทุกข์ไปเนี่าหลรเพราะคนที่รู้จักทุกข์ทุกข์บ่อยๆมันก็จึงได้รู้ได้เข้าใจถ้าเราสังเกตนะ หมายถึงว่าเราเป็นผู้ละเอียดที่จะสังเกตคอยศึกษามันเรืยนรู้สภาวะต่างๆตามความเป็นจริงเนี่ยพอทุกบ่อยๆมันจะได้รู้จริงๆสักทีหนึ่งว่าอะไรมันเป็นเหตุของความทุกของเราไอ้ที่เราคิดว่าใช่ทำไมเราพยายามแก้แล้มันยังไม่ได้สักทีแสดงว่ามันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือแง่มุมอื่นๆ ที่เรายัางยังพลาดไปเพราะฉะนั้นความละเอียดละออคนเป็นผู้ที่จะพ้นทุกเนี่ยเขาก็ต้องละเอียดละออไงก็ไม่ปล่อยผ่านพยายามสังเกตพยายามตั้งคำถามแล้วก็หาสาเหตุว่าอะไรทำให้เราเป็นแบบนี้ อะไรทำให้เป็นเหตุของความดีอะไรเป็นเหตุของความเสื่อมอะไรเป็นเหตุของความไม่ดีแต่โดนมันอัดบ่อยๆมันก็ต้องรู้เข้าได้สักวันนึงแหละใช่ไหมขอแค่ว่าไม่ยอดท้อแล้วก็ไม่เดินให้มันผิดทางมันต้องรู้เข้าได้สักวันหนึ่งแน่นอนและยิ่ง การที่เรามีคนคอยบอกสอนชี้แนะแนะนำอุบายเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ด้วยแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่เราไม่ต้องด้นเดาเกาหมัดกับอุปสรรคต่างๆอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ก็เป็นผู้บุกเบิกองค์แรกก็ต้องด้นเดาทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ในชนชั้นหลังๆมาก็มีแนวทางมีเครื่องดำเนินที่พระพุทธเจ้าประธานมาให้แล้วแต่แน่นอนในรายละเอียดมันก็ก็ต้องด้นเดาวันไปใครเคยตกหลุมตรงไหนใครเคยมีประสบการณ์แบบไหนก็เอามาเล่าสู่กันฟังซึ่งใครเคยมีประสบการณ์แบบนั้นแบบนั้นเนี่ยก็จะได้เข้าใจแล้วก็ได้รู้ว่าเราควรจะแก้ไขยังไง แน่นอนแหละบางครั้งเราอาจจะเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้บางคนก็อาจจะไม่เคยผ่านประสบการณ์แบบที่เราเป็นก็ได้มันก็เหมือนขึ้นเขาอะขึ้นเขาทาง ท, างทิศตะวันออกกับทางทิศตะวันตกมันก็คนคนละเส้นทางอะแต่มันก็ถึงยอดเขาเหมือนกันแต่แน่นอนว่าอุบายที่ที่เรา อุปสรรคที่เรามีที่เราติดขัดอยู่แล้วใครเคยเป็นแบบเราเคยพบเจอแบบเราแล้วเขาผ่านไปแล้วเขาทายัางไงเราได้รู้จากการฟังได้รู้จากการสนทนาอย่างน้อยมันก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราไม่ต้องมาตะบี้ตะบันไปด้วยตัวเองมันก็ล่นระยะเวลาไปได้พอสมควรไม่ต้องลองผิดลองถูกเพื่อที่จะ แก้ไขปัญหาและยิ่งถ้าเป็นบุคคลที่เราลงใจให้กับท่านแล้วเนี่ยว่าท่านเป็นคนที่รู้รู้แน่รู้จริงรู้ถูกต้องไม่สงสัยความมั่นใจในการที่เราจะ น, นำอุบายที่ท่านแนะนำสั่งสอนมาใช้มันก็เต็มเต็มเต็มหัวใจเรา นั้นก็พยายามให้เป็นผู้ที่มีสติเท่าทันจิตใจแล้วก็ละเอียดละออนในวรจิตของตัวเองให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ควรจะเป็นให้มันเพียงพอต่อการที่เราจะนำพาให้เราพ้นจากทุกข์